วันนี้จะขอพูดเรื่องการบูชาในพระพุทธศาสนาการบูชาในพระพุทธศาสนานี้มีอยู่สองรูปแบบด้วยกันคือหนึ่งอามิสสบูชาและสองปฏิบัติบูบชานี่คือวิถีบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ของชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สองรูปแบบด้วยกันรูปแบบแรกเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียนหรือการทานุ บ, บำลุงพระพุทธศาสนา โดวยวิธีการต่างๆเช่นการใส่บาตรการถวายสังฆทานการถวายผ้าป่าผ้ากรถินการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างพระพุทธรูปสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ให้แก่พระพุทธศาสนาคือการทำบุญทำทานด้วยวัตถุทานนี่คือวิธีบูชาด้วยอมิสสบูชาพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าการบูชาด้วยอมิสบูชานี้ได้บุญน้อยกว่า การบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาการบูชาด้วยอมิตสบูชาอานิสงส์ก็จะพาให้ผู้บูชาเวลาตายไปได้ไปเกิดในสุคติไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆส่วนผู้ที่บูชาด้วยการปฏิบัติบูชา จะได้พระนิพพานจะได้การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดผู้บูชาด้วยอมิสสบูชายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสุคติคือตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาจากเทวดาลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญทำทานใหม่ แล้วก็กลับไปเป็นเทวดาใหม่จะต้องวนเวียนไหว้าตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆส่วนผู้ที่ปฏิบัติบูชาก็จะได้บรรลุโลกุตลธรรมได้วิมุตติได้หลุดพน้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนไหว้าตายเกิดได้เป็นพระอริยสงสาวค เริ่มตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพาาระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการบูชาสงรูปแบบนี้การบูชาที่ถูกต้องที่สุดที่ดีที่สุดก็คือการปฏิบัติบูบชาเพราะนี่คือเจตนารมณ์ของการ ประกาศพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกเป้าหมายก็คือให้สัตว์โลกได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนนี้เองเพราะถ้าไม่มีการสั่งการสอนของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกจะไม่รู้จากวิธีที่จะดึงใจของตนให้หลุดออก จากสังสารวัฏจากตรภพได้เลยดังนั้นผู้ใดอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงต้องบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของเราผู้นั้นแหละคือผู้บูชาเราตถาคตถ้าอยากจะบูชาเรา ขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาแต่ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติบูชาได้ก็ให้บูชาด้วยอมิสสะบูชาไปก่อนเพราะการบูชาด้วยอมิสะบูชาจะเป็นการปูทางสู่การบูชา <c oughs> ปฏิบัติบูชาต่อไปดังนั้นสำหรับผู้ที่เริ่มตน้น ก็เริ่มต้นด้วยการบูชาอามิสบูชากราบไหว้พระพุทธรูปจุดธูปเทียนดอกไม้ถวายธูปเทียนดอกไม้ถวายเครื่องสักการะต่างๆแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามโอกาสตามกำลังของตนใส่บาตรได้ก็ใส่บาตรใส่บาตรไม่ได้ก็รอไป ถวายสังฆทานเราไปถวายภาพป่าภากรถินหรือเื่อมร่วมสร้างถาวรวัตถุต่างๆร่วมสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างที่ปฏิบัติธรรมสร้างห้องน้ำสร้างอะไรต่างๆอันนี้เรียกว่าอามิสบูชา ผลก็คือได้สุขคติได้เป็นเทวดาแต่ต้องไม่ทำบาปด้วยถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญผลของการทำบุญจะยังไม่เกิดเพราะจะถูกผลของบาปดึงออกไปก่อนดึงให้ไปเกิดในอบายแต่ถ้าทำบุญอย่างทาบุญแล้วก็ไม่ทาบาป ตายไปก็จะได้ไปสู่สุคติอย่างแน่นอนแต่ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปกลับมาแก่มาเจ็บมาตายกลับมาทำบุญต่อแล้วก็กลับไปเป็นเทวดาต่อหมุนเวียนไปอย่างนี้ในโลกของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เร bon. ื่อยๆก็จะต้องหัดปฏิบัติบูชากันการปฏิบัติบูชาก็เริ่มด้วยศีลสมาธิและปัญญานเริ่มด้วยศีลตามด้วยสมาธิตามด้วยปัญญาศีลก็ต้องเพิ่มจากศีลห้าขึ้นไปเป็นศ <terminology> ีลแปด เช่นวิธีเริ่มตอนก็นเริ่มหัดถือศีลแปดในวันหยุดทางานที่เราเรียกว่าวันพระสมัยก่อนวันหยุดทางานจะตรงกับวันพระสมัยนี้วันหยุดทางานบางทีไม่ตรงกับวันพระเราก็ต้องถือวันหยุดทางานเป็นวันพระ เป็นวันที่เราจะไปปฏิบัติบูชากันในวันพระนี้มีไว้เพื่อปฏิบัติบูชาเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปวัดไปปฏิบัติศีลศีลแปดไปปฏิบัติสมาธิไปปฏิบัติปัญญาด้วยการฟังเทศฟังธรรมวันพระเป็นวันฟังธรรมวันธรร ม, มัสสวานณะ นี่แหละคือวิธีบูชาพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้เราบูชากันให้เราถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าให้บูชาด้วยการปฏิบัติบูชาอย่าบูชาด้วยอาบิสบูชาเพียงอย่างเดียวอาบิสบูชาก็บูชาไปตามความเหมาะสม ตามเหตุการณ์มีความจําเป็นจะต้องอสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ก็สร้างกันไปมีความจําเป็นต้องสร้างพระพุทธรูปก็สร้างกันไปแต่อย่าทําแต่อามิตบูชาเพียงอย่างเดียวต้องทําปฏบิบัติบูชาควบคู่ไปด้วยถึงจะได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแค่อาทิตย์หนึ่งวันหยุด เข้าวัดกันเข้าวัดไปปฏิบัติบูบชากันเพราะวันพระที่เราเข้าวัดนี้จะมีการปฏิบัติบูบชาในวัดกันมีการ <c oughs> มีอมิสบูชาด้วยใส่บาตถวายอาหารพัตาหารให้กับพระสงฆ์แล้วก็ฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ปฏิบัติตปัญญา แล้วก็นั่งสมาธิกันรักษาศีลแปดกันถ้าอยู่ถ้าปฏิบัติในอุโบสถในโบสถ์ศีลแปดก็จะเรียกว่าเป็นศีลอุโบสถก็เป็นศีลแปดเหมือนกันบางคนไม่สะดวกที่จะปฏิบัติที่วัดเพราะยังมีภารกิจต้องกลับไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลือ มีภาระอะไรที่ออที่มาค้างคืนที่วัดไม่ไดออ้ก็ต้องมาแบบเช้าเย็ยนกลับออมาทำบุญตัก บ, บาตรฟังเทศฟังธรรมถ้าไหว้พระสวดมนต์ได้ก่อนจะกลับออก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิออแล้วค่อยกลับไปรักษาศีลแปดต่อที่บ้าน แล้วก็ไปปฏิบัติต่อที่บ้านไปไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านไปนั่งสมาธิที่บ้านไปฟังเทศน์ฟังธรรมที่บ้านก็ได้สมัยนี้อมีทำไปถึงบ้านเราหลายทางด้วยกันมีซีดีก็มีเครื่องเล่นซีดีก็เปิดฟังได้มีเครื่องเล่นแผดได้ก็เปิดฟังได้ มีหนังสือธรรมะก็อ่านได้สมัยนี้เราไม่จำเป็นจะต้องเข้าวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้ปฏิบัติธรรมถ้าอยู่บ้านแล้วมีเวลาไม่มีใครมารบกวนอยู่บ้านที่สงบเงียบก็สามารถที่จะปฏิบัติบูบชาได้แต่ก็ไม่ดีเท่ากับการไปปฏิบัติบูบชาที่วัด พ่อวัดนี่เป็นที่พร้อมกว่าถ้าเปรียบก็เหมือนโรงพยาบาลรักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลนี้พร้อมมากกว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือมีแพทย์มีพยาบาลตลอดเวลาถ้ารักษาที่บ้านก็อาจจะมีแพทย์พยาบาลมาเยี่ยมเป็นช่วง เครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะมีไม่ครบถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลนี้จะมีทุกสิ่งทุกอย่างครบบริบูรณ์ที่จะคอยรักษาร่างกายให้หายได้การไปวัดก็เป็นเหมือนกับการไปรักษาจิตใจนี่ที่วัดมีเครื่องมือพร้อมกว่าที่บ้านรักษาจิตใจที่บ้านนี้อาจจะไม่หาย แต่ถ้าไปรักษาจิตใจที่วัดนี้หายเหมือนกับการไปรักษาที่โรงพยาบาลดางนั้นผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติบูบชาก็ควรเริ่มอาทิตย์ละหนึ่งวันวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปวัดที่มีการปฏิบัติบูบชาวัดที่มีการ แสดงธรรมวัดที่มีการนั่งสมาธิวัดที่มีการรักษาศีลแปดพอเราไปอยู่ที่สถานที่ที่มีการปฏิบัติเหล่านี้เราก็จะได้ร่วมปฏิบัติกับผู้ที่อยู่ที่สถานที่นั้นเราก็จะได้เริ่มปฏิบัติบูบชากัน เมื่อเราได้เริ่มทําแล้วต่อไปเราก็จะอยากทําเพิ่มมากขึ้นเพราะประโยชน์สุขที่ได้จากการปฏิบัติบูบชามันได้ดีกว่าได้มากกว่าประโยชน์ที่ได้จากกามิสบูชาก็อยากที่จะมีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นอาจจะไปวัดเพิ่มมากขึ้น จากอาทิตละหนึ่งวันไปเป็นสองวันเป็นสามวันต่อไปก็อาจจะไปอยู่วัดนานๆหรืออยู่แบบไม่กลับเลยเพราะรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงพอได้สัมผัสกับรถของธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติบูบชาแล้วใจจะมีความสุขเพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะน้อยลงไปจะทำให้ไม่อยากจะกลับไปบ้านพอเวลากลับไปบ้านทีไรนี่ความวุ่นวายมันกลับมาทันทีกลับไปหาความวุ่นวายพอไปอยู่วัดนี้ความวุ่นวายหายไปก็จะเห็นคุณค่าของการไปอยู่วัดไปปฏิบัติที่วัด ก็เลยอยากจะอยู่วัดไปเรื่อยๆบางท่านก็เลยบวชเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพราะเมื่อเป็นนักบวชแล้วก็จะมีผู้ยินดีที่จะสนับสนุนเรื่องการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่วัดไม่มีวันอดตายแต่ต้องอยู่ด้วยการปฏิบัติบูบชา ถ้าอยู่ด้วยหมาวัดก็จะไม่ได้ประโยชน์หมาวัดก็อยู่ไม่อดตายเหมือนกันแต่อยู่แบบหมาวัดคือเอาแต่กินแต่นอนซึ่งถ้าเป็นถ้าเจ้าวาดรู้เขาก็อาจจะไล่ออกจากวัดไปถ้าใครไปอยู่วัดเพื่อหวังที่จะไปอาศัยวัดเป็นที่อยู่ที่กินที่นอนเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เป็นที่ปฏิบัติบูชาจเจ้าว่ารู้เข้าจเจ้าว่าก็อาจจะขอเชิญให้กลับไปบ้านแต่ถ้าอยู่วัดเพื่อปฏิบัติบูชาเจ้าเอาว่าจะยินดีต้อนรับเสมอจะอยากให้อยู่ไปนานๆเพราะผู้ปฏิบัติบูชาจะทำคุณทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างมากมาย หลังจากที่ได้บรรลุผลของการปฏิบัติแล้ว<ม>จะเป็นผู้ที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนมั่นคงอยู่เป็นเวลาอันยาวนานเหตุนผู้ใดที่ไปอยู่วัดด้วยปฏิบัติบูบชานี้อย่าไปคิดว่าไปขอวัดกินขอวัดอยู่อันนี้ถือว่าไปบูชาพระพุทธเจ้า<ม>ไปปฏิบัติบูบชา ถึงแม้จะไม่ได้บวชก็เหมือนกับเป็นนักบวชการบวชนี้เป็นเพียงการใส่เครื่องแบบเท่านั้นเองคือกรหัวแล้วก็ห่มขา ว, วหรือห่มเหลืองแต่ถ้าไม่ปฏบิบัติบูชาก็เป็นเหมือนหมหาวัดเนี่ยถ้าถ้าปฏิบัติบูบชาถึงแม้จะไม่ได้นุ่งเหลืองนุ่งขาวห่มเนื้อห่มเหลือง ห, มห่งหมขาวไม่ได้โกรสีสระ ก็ยังถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติบูบชายอยู่เป็นผู้ที่จะสนับสนุนสืบทอดพระพุทธศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองเพื่อเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกต่อไปอีกเป็นเวลาอันยาวนานเพราะ ผ, ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ที่จะเป็นพระ อ, อริยบุคคลได้ต้อง มาจากผู้ปฏิบัติบูบชาทั้งนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยมาการมาจากอาบิสบูชาบางท่านทำบุญส่บาตรแล้วขอไปนิพพานขอไปอยังไงก็ไปไม่ถึงเพราะตีตั๋วไปแค่สวรรค์จะไปถึงนิพพานได้ยังไงเหมือนตีตั๋วไปแค่เมืองชนแล้วจะขอให้ไปกรุงเทพเนี่ย พอถึงเมืองชนเขาก็ไล่ลงแล้วเขาบอกว่าคุณไม่ได้ตีตั๋วไปกรุงเทพแต่อยากจะไปกรุงเทพก็ต้องตีตั๋วไปกรุงเทพต้องเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นต้องปฏิบัติบูชาเขาจะถามมีศีลแปดหรือเปล่ามีสมาธิหรือเปล่ามีปัญญาหรือเปล่าถ้ายังไม่มีก็เชิญลงจากรถก่อน ยังไปไม่ได้ถ้าอยากจะไปนิพพานนี่ต้องมีศีลแปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่บเจ็ดแล้วก็ต้องมีสมาธินั่งสมาธิได้มีปัญญารู้เรื่องไตรลักษณ์รู้เรื่องอริยสัจสี่รู้เรื่องขันห้ารู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมมาเป็นอย่างไร ถึงจะสามารถไปถึงพันธิพานได้จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต้องมีการศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆธรรมะนี้มีหลายระดับหลายหลายขั้นหลายตอนการฟังเทศฟังธรรมเพียงครั้งเดียวสองครั้งนี้ยังไม่พอเพียงต้องฟังอยู่บ่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆ เหมือนกลับไปโรงเรียนนะต้องไปโรงเรียนทุกวันนะจันทร์ถึงสุกนี่ต้องไปโรงเรียนถ้าไปแค่วันเดียววันจันทร์แล้ววันอื่นไปเที่ยวไปเล่นเดี๋ยวลืมหมดไปเรียนวันจันทร์วันเดียวลืมหมดจําอะไรไม่ได้พอถึงเวลาจะไปสอบก็สอบไม่ได้สอบตกแต่ถ้าไปโรงเรียนทุกวันเนี่ยมีการเรียนอยู่เรื่อยๆมีการเพิ่มความรู้อยู่เรื่อยๆ มีการจดจาอยู่เรื่อยๆกลับบ้านยังมีการบ้านให้ทำต่อไม่ปล่อยให้กลับบ้านแล้วไปเล่นอย่างเดียวกลับบ้านก็ต้องไปทูหนังสือต่อไปทำการบ้านต่อพอเวลาสอบก็จะได้สอบได้การปฏิบัติการเรียนการศึกษาก็เหมือนกันศึกษาเพื่อจะได้นำอาไปปฏิบัติ ถ้าศึกษาแล้วจําไม่ได้ว่าอริยาาสัจสี่เป็นอะไรไตรลักษณ์เป็นอะไรมรรคผลนิพพานเป็นอะไรเป็นอย่างไรศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรถ้าจําไม่ได้ก็เอาไปปฏิบัติไม่ได้พอไม่ได้พอพอจาไม่ได้เอาไปปฏิบัติก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูก ปฏิบัติศีลไม่รู้ผิดข้อไหนบ้างถูกข้อไหนบ้างต้องเรียนให้จาได้ว่าศีลแปดมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างในศีลแปดศีลแปดกับศีลห้าต่างกันตรงไหนศีลแปดกับศีลห้าต่างกันตรงที่ศีลห้ามีห้าข้อศีลแปดมีแปดข้อแล้วศีลข้อที่สามของศีลห้ากับศีลของ ข้อที่สามของศีลแปดก็ไม่เหมือนกันศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สี่ข้อที่ห้าของศีลห้ากับของศีลแปดนี้เหมือนกันแต่ศีลข้อที่สามคือกาเมของศีลห้า น, นี้ไม่เหมือนศีลข้อที่สามของศีลแปดเกเป็นอ ร, รัมมจจลียาพวกที่นุ่งขาวห่มขาวเนี่ยเขาถือศีลพรหมจรรย์ คือเขาจะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนถ้ามีแฟนก็ไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าไม่มีแฟนก็ไม่ร่วมหลับนอนกับใครถ้าถือศีลห้าศีลข้อสามการเมนี้ยังไม่ได้ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันเพียงแต่ห้ามร่วมหลับนามกับคนที่ไม่ใช่เป็นแฟนไม่ใช่เป็นสามีภรรยากัน อันนี้ต้องศึกษาถึงจะได้รู้ว่ากําลังรักษาศีลห้าหรือรักษาศีลแปดอยู่ถ้าอยากจะปฏบิบัติบูชาต้องรักษาศีลแปดศีลห้าข้อนี้มีสี่ข้อที่เหมือนกับศีลห้ามีข้อที่สามที่ไม่เหมือนกันแล้วศีลแปดก็มีศีลเพิ่มขึ้นมาอีกสามข้อข้อที่หกก็คือ ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่จะได้ตัดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารพอหลังเที่ยงแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะกินอะไรแล้วตอนเย็นนี่จะกินอะไรไม่ต้องกังวลนะไม่มีเวลากินนะหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะได้มีเวลามากังวลมาปฏิบัติเนะียเพราะการปฏิบัตินี่ต้องตัดความกังวลต่างๆออกไป ถ้ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้กังวลใจจะนั่งสมาธิแล้วไม่สงบเดี๋ยวดูนาฬิกาให้เดี๋ยวต้องไปเตรียมทำกับข้าวนะคข้าวทำอาหารเย็นละเดี๋ยวตอนบ่ายก็อาจจะรู้สึกเอามีของว่านกินหรือเปล่ากินขนมกินกาแฟก่อนน้องท้องไว้ก่อนอ ม, มันก็ยังมีเรื่องกินมาให้วุ่นวายใจอยู่ ม, ม, มันก็จะไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปฝึกสมาธิ ทำใจให้สงบได้แต่พอถือศีลข้อหกนี้ปั๊บนี่เรื่องกินเรื่องอะไรนี้ตัดไปหมดเลยจ้าของเข้าปากเพียงอย่างเดียวคือน้ำเปล่าราะน้ำเปล่านี้ยังจำเป็นต้องดือ่มอยู่แต่ของอย่างอื่นไม่จำเป็นต้องเอาเข้าปากนะ ย, ยกเว้นถ้าไม่สบายพระพุทธเจ้าอนุญาตให้กินยาได้ ยาที่ให้กินสมัยก่อนมีอยู่ห้าชนิดเรียกว่าเพสัชห้าช่วยบรรเทาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายได้คือน้ำพึ่งให้ดื่มน้ำพึ่งได้เวลาที่รู้สึกว่าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงขาดาร่างกายขาดน้ำตาลอย่างนี้ก็อนุญาตให้ดืม่มน้ำพึ่งได้ เนื้อเดื่มน้ำอ้อยคือน้ำตาลได้แล้วบางทีถ้าท้องไม่ดีท้องเสียก็อนุญาตให้เดื่มน้ำมันได้เดือมน้ำมันไปไปให้รักษาท้องได้หรือหนอยข้นเนยใสมีห้าเรียกว่าเพสัตห้าชนิดด้วยกันที่ทรงอนุญาตให้ใช้เวลาที่ร่างกาย เกิดโรคภัยไค้เจ็บขึ้นมาแล้วก็ทรงอนุญาตให้ดื่มน้ำปานะได้น้ำปานะก็คือน้ำที่คั้นมาจากผลไม้แต่ผลไม้นี้ต้องเป็นชนิดที่ไม่ใหญ่กว่าก ำ, กำปั้นผลที่ใหญ่กว่าเช่นสับปะรดเอามาคั้นน้ำดื่มไม่ได้แตงโมไม่ได้มะพร้าวไม่ได้ ตังพวกที่ขนาดกำปั้นลงมาเช่นมะม่วงแอปเปิ้ลองุ่นส้มอะไรพวกนี้เอามาคั้นเอาน้ำมาดื่มได้แต่ต้องกรองไม่ให้มีเนื้อติดเนี่ยให้เป็นน้ำล้วนๆต้องใช้ผ้ากรองเพราะไม่ต้องการให้รับประทานแบบรับประทานอาหารให้รับประทานแบบรับประทานยาน้ำปลานะนี่ก็เป็นเหมือนยา บำรุงให้กำลังชูกำลังได้พอร่างกายบางทีขาดสารต่างๆขาดน้ำตาลขาดอะไรก็จะรู้สึกอิดโรยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงพอได้ดื่มน้ำที่มีรสหวานเข้าไปก็ <c oughs> จะทำให้น่างกายมีชีวิตชีวาขึ้นมา <c oughs> นี่เป็นสิ่งที่สรงอนุญาตหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ถ้าอยากจะเดิมก็ให้อยากจะรับประทานเนื้อเดิมก็ให้รับประทานเพสัชถ้าน้ำน้ำปะนะหรือยาชนิดต่างๆถ้าเรามีโรคที่ต้องคอยกินยาก็กินได้กินยาชนิดต่างๆได้ยาเม็ดก็ได้ยาน้ำก็ได้แต่ยายาดองนะยาดองไม่ได้ยาดองกินแล้วเดี๋ยวมึนเมา เป็นสุรายาเมา น, านี่คือสิ่งที่อนุญาตต้องเป็นกรณีที่ไม่สบายด้วยนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็บอกว่าไม่สบายแล้วอยากจะกินอยากจะดื่มน้ำพึ่งขึ้นมาอยากจะดื่มน้ำอ้อยขึ้นมาอย่างนี้ไม่ควรถ้าร่างกายหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่ า, ลาต้องการที่จะตัดกิเลสด้วยการถือศีลแปลนี้เพื่อตัดความอยาก ในรสชาติของเครื่องดื่มของของของรับประทานต่างๆถ้าร่างกายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดื่มต้องรับประทานก็อย่าไปดื่มมันนนี้คือศีลข้อหอย่าทำให้เราไม่ต้องมาวุ่นวายมากังวลกับเรื่องดื่มเรื่องการรับประทานอะไรอีกเพราะถ้ากังวลแล้วมันจะไม่มีกระจิตกระจายที่จะนั่งสมาธิ พุทโธไม่ออกพุทโธคำก็คิดถึงข้าวพุทโธคำก็คิดถึงขนมถ้าสลับกันอย่างนี้ไม่มีวันสงบนะต้องพุทโธอย่างเดียวไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ใช่พุทโธไปขนมถึงเวลากินขนมหรือยังพุทโธไปถึงเวลาดื่มน้ำปานะหรือยัง ก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปดืม่มอย่าไปกินพวกนี้ถือว่าเป็นยาให้ดื่มแต่น้ำเปล่าถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าไปแล้วมันจะไม่มาทำให้ง่วงนอนด้วยถ้าไปดืม่มไปรับประทานมากๆเดี๋ยวก็หนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนอกีกพอจะนั่งสมาธิก็สับประงกอกีกฮะพุทโธได้สองคำหายไปแล้ว มารู้สึกตัวอีกทีครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วโอ้ยนั่งสมาธิต้องนานหายไปไหนไม่ได้นั่งนั่งหลับนั่งหลับไม่ได้นั่งสมาธินี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้ปฏิบัติบูบชาจึงต้องละเว้นการรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วเพื่อจะได้กำจัดเรื่องความ วุ่นวุ่นวายกับเรื่องการรับประทานการดื่มอะไรต่างๆเด่มอย่างเดียวคือน้ำเปล่าถ้าไม่สบายถ้าไม่สบายก็ใช้เพสัชท่าได้ถ้าสบายดีไม่เป็นอะไรก็อย่าไปใช้เพสัชท่าอย่าไปดื่มน้ำาป่านะดื่มน้ำเปล่ า, นะลาดีกว่า จะทำให้ใจไม่ต้องมาคอยติดอยู่กับปานะเดี๋ยวก็น้ำปานะเดี๋ยวก็เพศสัตว์เนี่ยเนี่ยสมัยนี้ญาติโยมอุตส่าห์เจตนาดีกลัวพระจะอดตายยังไงไม่ทราบเอาเนยมากวนผสมกับน้ำตาลให้มันมีทั้งหวานทั้งเค็มจะได้เดินกับน้ำได้จะได้มีรสมีชาดดื่มน้ำชากาแฟได้ น้ำชากาแฟนี้ก็ถือว่าเป็นยาดื่มได้แต่ต้องเป็นโรคถ้าไม่เป็นโรค ก, ก็อย่าไปดื่มแต่สมัยนี้เขาไม่ต้องเป็นโรคแล้วก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มสำคัญสำหรับคนที่ถือศีลแปดต้องมีน้ำปานะต้องมีน้ำชากาแฟต้องมีเนยข้นเนยกวนวด บางแห่งก็มีปรามัตเนี่ยมียารักษาท้องผูกมีพวกผักที่เป็นยาสมุนไพรชนิดต่างๆมีขิงมีข่ามีเกลือมีมีอะไรมีมะมีสมอดองมีอะไรต่างๆกลายเป็นเหมือนกับเป็นอาหารมื้อเย็นไปเลยที่เอาของมาตั้งคนไม่รู้คิดว่าภาคกำลังฉันอาหารเย็นอยู่ไง จริงเป็นปรมาัดเขาเรียกว่าปรมัดยารักษาโรคโลกท้องผูกบางทีรับประทานอาหารที่ไม่มีผักไม่มีอะไรท้องมันผูกก็เลยต้องมากินปรมาัดเพื่อมาระบายเหมือนสมอดองนี่กินเข้าไปเดี๋ยวไหลพวดทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า ยุงแล้วมันก็ไม่ต่างกับกินอาหารเนีเพียงแต่เราเรียกว่ามันเป็นยานี้แต่มันก็เป็นเหมือนกับอาหารมันเข้าปากต้องเคี้ยวต้องเกินอะไรต่างๆแล้วมันจะทำให้จิตใจเรามุ่นวายไปกับเรื่องการกินเนี่ยการกินการดื่มไม่มีกระจิตกระใจจะไปภาวนาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกัน ที่ว่าป่าม่านตาใ้หลวงตาท่านจะต้องคอยมาเดินตรวจที่โรงน้ำปานะอยู่เรื่อยๆถ้านอนุญาตให้มีเวลาดื่มน้ำปานะได้แต่ให้ดื่มแล้วก็ให้รีบไปท่านจะเดินมาตรวจรอบแรกก่อนแล้วเดี๋ยวรอบสองท่านเดินมาอีกอีกยี่สิบนาทีอีกครึ่งชั่วโมงเดินมาถ้ายังเจอพระเก่าอยู่เดี๋ยวโดนไล่มานั่งกินอะไรต้องนานพอ ใครเห็นหลงตาเดินมารอบสองนี่รีบเพ่นก่อนเพราะบางทีนั่งแล้วมันติดนะมันนั่งดื่มกาแฟดื่มน้ำชาแล้วก็อดคุยกันไม่ได้คุยกันแล้วก็เพิดเพลินฟุ้งซ่านไปคุยไปดื่มไปยิ่งคุยยิ่งดื่มยิ่งมันยิ่งดื่มยิ่งมันหลวงตาท่านเลยต้องคอยมาไล่มาเตือนมารอบแรกท่านก็ไม่พูดอะไร ่อถ้าเจอลาบที่สองนี้ถ้าไม่ก่อยก็โดนท่านไล่จะมาเป็นหมูเป็นหมาอยู่วันนี้เหรอวันนี้ไม่เลี้ยงหมูเลี้ยงหมาดีกันหมดท่านบางทีท่านก็เมตตาแต่ท่านก็รู้ว่าบางทีมันก็ไปเกิดโทษได้ยุคที่สร้างวัดป่าบ้านตาดใหม่ๆท่านบอกไม่มีน้ำปานาเดิมกัน ฉันเสร็จแล้วก็จบนี่หลังจากนั้นก็มีแต่น้ำเปล่ายุบบุกเบิกนี่มีแต่คู่บาอาจารย์ที่ที่บรรลุธรรมไปอยู่กันท่านไม่หิวไม่หยกับเรื่องการกินการการดื่มอะไรจิตใจท่านอิ่มด้วยด้วยธรรม แต่พอมายุคหลหลังๆมีพระที่ยังไม่ได้บรรลุ ธ, ธรรมมาขออยู่ขอศึกษาขอปฏิบัติท่านก็เลยเมตตาให้มีน้ําปานะให้ดื่มได้บ้างเพราะว่าจิตใจยังไม่เข้มแข็งจิตใจยังหิวโหวยกับรูปเสียงกลิ่นของเครื่องดื่มต่างๆอยู่ก็เลยอนุญาตให้ให้ดื่มได้บ้างแต่ไม่ให้ดื่มมากเกินไป ตัวท่านก็เลยต้องคอยมาเดินตรวจอยู่เรื่อยตรวจวันละสองสามรอบพอรอบที่สองนี่พอเห็นหน้าจำได้ท่านก็จะถามวนะ่ายังดื่มไม่เสร็จเด็กหรือพอถามว่าไปแล้ว น, นนี่คือคุณประโยชน์จากการดื่มน้ำปนานะก็มีบ้างสำหรับผู้ที่ยังมีจิตใจไม่เข้มแข็ง ผู้ที่ยังมีกิเลสหิวโหยกับรสชาติของเครื่องดื่มอยู่พอมันหิวโหยมากๆมันจะไม่มีกจิตกรจัยที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิท่านก็เลยอนุญาตอาใหอ้มาเลี้ยงปอบซะหน่อยไปล่อยโอกาสให้ปอบได้ออกมาดื่มดื่มน้ําอะไรเครื่องน้ําที่มีรสมีชาติตหน่อยอพอเลี้ยงปอบเสร็จแล้วก็ให้ไล่กลับไปทีนี้ความหิวโหยจาก รูปเสียงกลิ่นรสของเครื่องดื่มก็จะหมดไปก็จะได้มีกระจิตกระใจที่จะไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิต่อ อ, อ่นี่คือการถือสินแปดสินข้อที่หกนี่ถ้าดีที่สุดเลย อ, อย่าไปดื่มไปรับประทานอะไรหลังจากเที่ยมวันไปแล้วนอกจากน้าเปล่ากิดเวลาเราไปทุ่ดงในป่าเวลาอยู่ในป่าเราขนน้าปานะไปไม่ได้หรอก ขนอะไรของสเสบียงไปไม่ได้ไปทุดงในป่าชาวบ้านเขาก็ใส่บาตรให้เพียงครั้งเดียวตอนเช้าหลังจากนั้นเขาก็ไม่มายุ่งกับเราแล้วเราก็จะอยู่คนเดียวจะได้มีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันอย่างเต็มที่เลยมาให้อาหารใจดีกว่าเอาธรรมะมาให้ให้ใจธรรมะเป็นอาหาร พอธรรมะเข้าไปในใจแล้วใจก็จะเกิดความสุขเกิดความอิ่มขึ้นมาแล้วความหิวโหยทางร่างกายจะหายไปจะไม่รู้สึกเนหน็ดเหนื่อยเมื่อไรเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็จะไม่รู้สึกเนหน็ดเหนื่อยเมื่อไรเพราะใจมีธรรมเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจมีความสงบให้ความสุขกับจิตใจให้ความอิ่มกับจิตใจน อันนี้แหละเป็นอาหารที่เราต้องการกันเป็นยาที่เราต้องการกันเป็นธรรมโอษฐ์ที่จะรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขต้องเริ่มด้วยการรักษาศีลก่อนศีลเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องช่วยกําจัด เรื่องวุ่นวายใจต่างๆให้มันออกไปจากใจเศรษฐก็เข้าหกก็กำจัดเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับการดื่มการรับประทานอะไรต่างๆหลังจากเที่ยงวันแล้วก็จะไม่มีเรื่องวุ่นวายเกี่ยวกับการดื่มการรับประทานอะไรมาให้เรามาต้องกังวลเราจะได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้ อยู่กับพุทธโธได้ไม่ต้องมานึกถึงว่าเดี๋ยวเวลากินได้อย่างถึงเวลาเตรียมอาหารห้ือยังอะไรต่างๆ น, นี่คือข้อที่หกแล้วจะทำให้ไม่ง่วงเหาเหานอนเพราะไม่กินมากถ้ากินมื้ออีกอีกหนึ่งมื้อเดี๋ยวมันก็ยิ่งหนักท้องขึ้นมาใหญ่ท้องยิ่งหนักตาก็ยิ่งหนักลงหนังตาก็จะหนักลง นั่งสมาธิก็จะสับประงกง่วงหลับคอพับแต่ถ้าไม่ได้กินมื้อเย็นนี้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอตกบ่ายนี่ท้องว่างแล้วเบาแล้วทีนี้เดินจงกรมก็ตัวเบานั่งสมาธิก็แข็แงตรงไม่ไม่งอไม่หลับไม่พับนี่นี่คือประโยชน์จากการถือศีลข้อหกเนี่ย ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนั่งแล้วหลับผู้ที่นั่งแล้วง่วงนอนเนี่ยาการถือศีลข้อนี้จะช่วยได้มากต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงผู้ที่จะปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พออย่ารับประทานเพื่อให้เกิดความอิ่มเกิดมากเกินไปเพราะมันจะกลายเป็นนิวรณ กายเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาคือการทำใจให้สงบนั่นเองเนแล้วก็ให้ถือศีลข้อที่เจ็ดเนศีลข้อที่เจ็ดนี้ก็จะกำจัดเรื่องการไปเที่ยวต่างๆให้หมดไปถ้าถ้าไม่ถือศีลข้อนี้อย่างเดี๋ยวมีใครชวนไปเที่ยวก็ไปได้เดี๋ยวมีหนังให้ดูก็ดูได้เดี๋ยวมีละครก็เปิดดูได้ เดี๋ยวมีเกมให้เล่นก็เล่นได้ตอนนี้ไฟกล้องติดอยู่นะเพราะนั้นต้องต้องถือศีลข้อนี้จะได้ไม่มีเรื่องมาดึงเราไปแทนที่ถ้าไม่มีไม่ถือศีลข้อนี้เดี๋ยวพอจะนั่งสมาธิกินเอ๊ะถึงเวลาดูละครแล้วถึงเวลาดูหนังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเริ่ม เย็นนี้เพื่อนชวนไปงานแต่งงานคนนั้นคนนี้ะลอวถ้าถือศีลแปดก็บอกไปไม่ได้ดูไม่ได้แต่ถ้าถือศีลห้าอ๋ไปได้ยังไปได้อยู่ถ้าไม่ต้องการที่จะถูกเขาลากไปไม่ต้องการให้สังคมเราลากเราออกจากการปฏิบัติบูบชาไปเราก็ต้องถือศีลแปดศีลข้อที่เจ็ดนี่ แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวอริม ส, สวยความงามเพราะถ้าไปงานหรือไปเที่ยวข้างนอกเดี๋ยวก็ต้องแต่งตัวให้สวยให้งามก่อนจะใส่ชุดนอนออกไปนี่มันก็ไม่เหมา ะ, ะก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิอเอาเวลาไปกับการไปดูภาพยนตร์ไปร้องนำทำเพลงไปตามงานต่าง คืนนั้นวันนั้นก็หมดเวลาไปกับเรื่องนี้เรื่องการที่จะไปอยู่วัดปฏบิบัติบูชาก็ไปไม่ได้นะแต่ถ้าซื้อศินแปดสินข้อที่เจ็ดนี้ก็ใครส่งบัตรเชิญมา ก, ก็ปฏิเสธไปบอกว่าตอนนี้ถือศีลแปดจ้าไปไม่ได้ออนนี้ดูหนังไม่ได้ฟังเพลงไม่ได้ถ้าไปสานักครูบาอาจารย์เข้มเข้มมือถือท่านก็จะไม่ให้เปิดด้วยซ้ำไป ดีไม่ดีขอยึดมือถือไว้ก่อนให้ใช้ได้เฉพาะเวลาฉุกเฉินเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยต้องโทรไปหาหมอหรืออะไรอย่างนี้ก็ไปขอใช้ได้แต่นอกจากนั้นละห้ามใช้เพราะเปิดมือถือมันก็เหมือนดูเปิดทีวีนี่แหละในมือถือเดียวนี้มันมีมากกว่าทีวีทีวีมันมีแค่หนังละคร แต่มือถือนี่มีทุกอย่างสารพัดนึกเลยอยากจะดูอะไรอยากจะเล่นอะไรอยากจะฟังอะไรมีถ้าเปิดแล้วรับรองได้แบตหมดดูจนกระทั่งแบตหมดฉะนั hmm. ้นก็ต้องอย่าอย่าเปิดมือถือด้วยอย่าอย่าเปิดทีวีอย่าเปิดวิทยุอย่าเปิดโทรศัพท์ mm hmm. แล้วก็อ จะได้มีเวลามาเดินจงกรมนั่งสมาธิมาปฏิบัติบูบชาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้แล้วข้อสุดท้ายข้อแปดก็คืออย่านอนมากเกินไปเนี่พอไม่ได้ทำอะไรก็เลยหาวิธีนอนเดี่ยวหาความสุขจากการกินไม่ได้หาความสุขจากการดูการฟังไม่ได้ก็เอาความสุขจากการนอนแทน นอนเมื่อไหรหัวค่ำถึงสว่างเลยอันนี้ต้องให้นอนที่มันแข็งแข็งที่นอนแข็งแข็งมันนอนไม่สบายมันจะได้นอนไม่ได้นานพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วมันจะตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยากจะนอนต่อท่านถึงห้ามนอนบนเตียงใหญ่ๆพูกหนาๆเ็าเรียกเตียงเตียงโมโหลาน เตียงสำรานความหมายว่าเตียงใหญ่ไม่ใช่มันใหญ่ขนาดแล้วใหญ่ใหญ่ด้วยความสุขสบายเตียงสาราญมากกว่าไม่ใช่ว่าเตียงใหญ่ๆเตียงไม้ใหญ่ๆมันก็ไม่มีความสุขสารานหรอกความหมายของความใหญ่นี่หมายถึงใหญ่ด้วยความสุขสบายไม่ต้องการให้สุขสบายทางร่างกายมากเกินไปเพราะมันจะนอนมากพอตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่อยากจะลุก ถ้านอนนเตียงเตียงสำลาญพูกหนาๆ่นานนอนแล้วมันสบายพอตอื่นขึ้นมาก็ขอนอนต่อเนี่ <Yeah. S 1> นี่คือต้องถือศีลแปดก่อนนะก่อนที่เราจะสามารถไปสู่การฝึกสมาธิได้ <Yeah. S 1> ต้องถือศีลแปดเนี่ยแล้วก็ต้องแยกกันอยู่ถ้าจะไปฝึกสมาธิถึงแม้ไปอยู่วัดก็ตาม ก็อย่ามาคุกคีกันอย่ามาจับกลุ่มคุยกันมาจับกลุ่มนั่งดื่มน้ำชากาแฟคุยกันแล้วชวนกันไปทำนูน่นทำนี่ภารกิจอย่างอื่นตอนนี้ให้ตัดไปเสียนอกจากที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นที่ไม่จำเป็นอย่าไปหามาทำเพื่อแก้เหงาเพื่อแก้ความลำคาญใจเอาเวลามา ทำสมาธิดีกว่าเอามาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าบางคนก็ขยันมากว่าดมาถูมาทําอะไรที่ไม่จําเป็นค่ไม่ต้องทํามันหรอกทําพอให้มันสะอาดเรียบร้อยก็พอไม่ต้องมาขัดมาเช็ดมาเอขัดพระพุทธรูปขัดทองคําขัดอะไรต่างๆมันอยู่เฉยๆแล้วมันหงุดหงิดอยู่ไม่ได้ ต้องมีอะไรทาก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยเป้าหมายของการปฏิบัติบูชานี้ต้องการให้เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อจเจริญสติเพราะถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจมันจะไม่สงบนี่ยใจมันก็จะฟุง้งจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้นต้องไม่คุก ค, คีกันถ้าพอสองคนเจอกันปับ๊บเริ่มคุยกันนี่เผลอยาวเลย แทนที่จะไปเดินจงกรมนั่งสมาธิก็คุยกันถามสารทุกขสุขดิบเป็นยังไงสบายดีหรือมาจากที่ไหนมาอยู่กี่วันมีแฟนหรื อ, อยังมีลูกกี่คนนะเดี๋ยวก็ยาวเหยียดถามไปคุยกันเแก้เหงาไม่ใช่อะไรอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาถ้าไม่ปฏิบัติมันจะเหงาแต่ถ้าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะไม่เหงาะถ้าเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้มันจะไม่รู้สึกเหงา มันจะเพลิดเพลินกับธรรมจะเพลิดเพลินกับการปฏิบัติธรรมจะมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมดังนั้นอย่าปล่อยให้ไปคุยกันไปหาคนนั้นคนนี้เวลาเหงาพอเหงานี้ต้องรีบพุทโธแล้วต้องรีบเจริญสตินะความเหงาเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากการไม่มีสติพอเรามีสติปั๊บมันก็จะหยุดความอยากได้ หยุดความอยากได้ความเหงามันก็จะหายไปความอยากที่จะไปคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้ก็ไม่มีอยู่คนเดียวได้ถ้าจะไปก็ต้องห้ามต้องรีบดึงสติกลับมาแล้วถ้าคิดจะไปหาคนนั้นคนนี้เพื่อไปแก้เหงาต้องบอกแล้วว่าตอนนี้ไม่มีสติแล้วต้องแก้ด้วยการเจริญสติไม่ใช่แก้ด้วยการไปหาคนนั้นคนนี้ คนนั้นคนนี้แล้วมันจะติดแล้วมันจะต้องไปหาเขาอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีวันที่จะมีเวลาไปเดินจงกรมนั่งสมาธิได้เพรฉนั้นพอเราแยกกันแล้วเราต้องพยายามเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงคนนั้นคนนี้พอคิดแล้วเดี๋ยวมันก็อยากจะไปเจอเขามันเหงา แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วเราหมั่นจเจริญพุทโธพุทโธหรือห ม, มั่นสวดอิติปิโสไปภายในใจนะอิติปิโสร้อยจบสวดในทุกิริยาบทได้ถ้าสวดในใจเดินยืนนั่งนอนสวดได้หมดแต่ยานอนสวดเดินตะลับนะสวดในท่ายืนท่าเดินท่านั่งได้ หรือทําอะไรก็สวดไปภายในใจได้เป็นการเจริญสติเหมือนกับการใช้พุทโธถ้ายัางใช้พุทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อน <c oughs> แล้วสลับกับการฟังเทศฟังธรรมไปก่อนก็ได้ <c oughs> พอเดินเมื่อยแล้วก็มานั่งเปิดฟังธรรมะก่อน <c oughs> ฟังธรรมะเสร็จแล้วถ้ารู้สึกเย็นสบายก็นั่งดูลมหายใจต่อก็ได้ นี่คือวิธีที่เราจะฝึกสมาธิฝึกสติกันเรื่งต้นต้องฝึกสติการฝึกสตินี้เดินจงกรมจะฝึกได้ง่ายกว่าการนั่งการนั่งนี้มันจะทำให้ง่วงจะทำให้หลับเพราะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่การเดินมันมีการเคลื่อนไหวอยู่เรื่อยๆมันจะทำให้จิตเตืนและจะทำให้ <c oughs> การฝึกสตินี้เป็นไปได้ง่ายกว่า จะใช้การบริกรรมพุทโธก็ได้ใช้การสวดอิติปิโสก็ได้ใช้การดูเท้าก็ได้ก่กากำลังขึ้นกำลังใช้เท้าไหนาก้าวก้าวเท้าซ้ายกวาซ้ายก้าวเท้าขวากวาขวา <Yes. S 1> ทำไปข้อสำคัญคือไม่ต้องการให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอ <Yes. S 1> คิดแล้วเดี๋ยวเกิดความอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้อยากจะไปทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา แต่ถ้าไม่คิดแล้วใจจะว่างจะเย็นจะเบาจะสบายแล้วพอเดินเมื่อยแล้วก็มานั่งต่อพอนั่งนี้อยากจะนั่งนานๆแล้วเพราะมันเดินจนเมื่อยแล้วทีนี้มันก็จะนั่งได้นานนั่งได้เป็นชั่วโมงแล้วถ้ามีสติจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้นี่คือขั้นของสมาธิต้องหมั่นฝึกสติให้มากมาก ทุกเวลานาทีเลยตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับนี่ควรจะมีสติอยู่ตลอดเวลาไม่พุโทโธก็สวดอิติปิโสไปไม่สวดอิติปิโสก็ดูว่ากําลังทําอะไรอยู่กําลังล้างหน้าแปรงฟันก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟันกําลังหวีผมกําลังกำลังแต่งตัวก็ให้อยู่กับ การหวีผมแต่งตัวไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆต้องดึงใจไว้ต้องห้ามใจไม่ให้คิดให้ได้แล้วพอเปมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือพุทโธก็ได้ รับรองได้ว่าถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ก็ต้องฝึกอย่างนี้ไปจนกว่าจะสามารถเข้าสู่ความสงบได้อย่างคล่องแคล่วรวดเร็วได้เข้าแล้วอยู่ได้นานต้องมีความชนานาญในการเจริญสมาธิก่อนแล้วถึงค่อยออกไปเจริญทางปัญญาต่อขณะที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญา การจะเจริญปัญญานี้ต้องอยู่ช่วงที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิช่วงที่ไม่ได้ฝึกสติเพื่อให้จิตสงบอันนี้ต้องให้ชำนาญก่อนมีสติสมบูรณ์ทำจิตให้ได้สงบแล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาก็ให้ไปเจริญปัญญาต่อปัญญาก็มีสองแบบแบบทําการบ้านกับแบบทาข้อสอบ แบาทำการบ้านก็คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่านั่งกายของเราต่อไปจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตายต่อไปเราจะต้องพัดภาคจากคนนั้นคนนี้ถามใจว่าทําใจได้ไหมจะต้องพัดภาคจากลูกพัดภาคจากสามีพัดภาคจากภรรยาพัดภาคจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องตาย นี่เป็นการทําการบ้านสอนใจเตือนใจให้ทําใจไว้ให้เตรียมตัวไว้ว่านี่คือข้อสอบของเราต่อไปเราจะต้องเจอข้อสอบเหล่านี้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทําการบ้านไว้ฝึกใจให้ปล่อยวางให้วางเฉยเวลาจะพัดภาคจากใครก็ให้เฉยเฉยไว้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้เฉยเฉย เวลาจะตายก็ให้เฉยๆอันนี้เป็นการพิจารณาเป็นการทําการบ้านก่อนยังไม่ได้เจอข้อสอบเพื่อที่เวลาได้เจอข้อสอบจะได้ไม่ร้องไห้จะได้ไม่เศรา้าโศกเสียใจจะไม่ได้จะได้ไม่วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่ตอนนี้เรื่องโรคระบาดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงกินกังวลไหมวิตกไหม ถ้ามีเคยทําการบ้านมาก่อนว่าเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วไม่โรคใดก็ต้องโรคหนึ่งนี่กําลังได้ได้พบกับโรคแล้วมันมาหาเราแล้วเออใจเราเป็นยังไงพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าพร้อมที่จะทําใจให้เฉยเฉยได้หรือเปล่าเอมันจะเกิดก็เกิดมันจะเป็นก็เป็นรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็บา ย, บา ย, บาย ถึงเวลาที่จะต้องจากกันทำใจได้หรื อ, อยังอันนี้เป็นการจการการทำการบ้านและการทำข้อสอบถ้าไม่เตรียมตัวทำการบ้านกันก่อนพอมาถึงเหตุการณ์มาถึงทำใจไม่ได้จะกลัวจะอยากจะหนีอยากจะให้มันหายอยากจะนูน่นอยากให้นี่ยิ่งอยากก็ยิ่งเครียดขึ้นมาจนฟุ้งซ่านอาจจะเป็นบ้าไปก็ได้ เมืเช้ามีคนมาเล่าว่าตอนนี้คิดฟุ้งซ่านอย่า ง, งกระทั่งคิดว่ากำลังจะเป็นบ้าแล้วก็บอกก็มาเข้าโรงพยาบาลเสียเนี่ยมาอยู่บนเขาสักอาทิตย์สองอาทิตย์มาหยุดความคิดเสียยิ่งยิ่งคิดก็ ย, ยิ่งยิ่งวิตกยิ่งกังวลยิ่งห่วงใหญ่ยิ่งอะไรไปต่างๆนาน า, นาหยุดคิดแล้วความวิตกกังวลความหวาดกลัวความอะไรต่างๆมันจะหายไปหมดนมา รักษาใจด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญามาบริกรรมพุทธโธพุทธโธสวดอิติปิโสแล้วก็มาพิจารณาอนิจจงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมไม่มีใครที่จะ หนีจากอานิจังไปได้มีลาบก็ต้องเสื่อมลาบมียศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทามีสุขก็ต้องมีทุกข์สลับกันไปสลับกันมาจนถึงวันตายวันตายพอถึงวันตายก็มีเท่าไหร่ก็เสียหมดเลยมีอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวเวลามาก็มาตัวเปล่า เวลาไปก็ต้องไปตัวเปล่าๆ เ, เราจะไปเสียดายไปเสียใจกับอะไรในเมื่อของต่างๆที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้เป็นของเราเป็นของให้เราใช้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองพอเราพอเราตายไปเราออกจากโลกนี้ไปเขาก็ไม่ให้ เ, าเราติจตัวไปเหมือนเวลาเราไปเล่นบ่อนการพนันเขาก็ไม่เขาก็ให้เราไปแยกชิปไปไหม ไปเอาเงินปลอมมาเล่นกันในบอนพอเวลาเลิกเล่นจะอาจากบอนแล้วก็ไปแลกเอาเป็นเงินจริงไปดังนั้นของเงินในบอนเขาไม่ให้เอาไปอันนี้ก็เหมือนกันของต่างๆในโลกนี้เป็นของโลกนี้เขาให้เรามาเล่นกันให้เรามาเล่นให้ทำอะไรให้สนุกสนานให้มีความสุขกันเดี๋ยวพอเวลาตายขเขาก็เอาคืนไปหมดเขาไม่ให้เราไปแม้แต่ชิ้นเดียว ให้คิดอย่างนี้แล้วจะได้ปรงได้วางได้จะจะได้ทําใจให้เฉยได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องสูญเสียเมื่อถึงเวลาจะต้องมีการพัดพลากจากกันเมื่อถึงเวลาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจจะได้ไม่บุนรายใจจะนิ่งจะสงบใจจะมีความสุขไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียไม่เดือดร้อนกับการพัดพลาดจากกัน แล้วถ้าทําได้อย่างสมบูรณ์นี้ก็จะทําให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปเพราะใจมีความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการมีศีลสมาธิปัญญาจะทําให้ใจได้มีความสุขที่เป็นบรล ม, มาสุขคือเป็นนิพพานขึ้นมาพอใจมีความสุขของนิพพานแล้วใจก็ไม่ต้องมาหาความสุขของโลกนี้ต่อไป ไม่ต้องกลับมามีร่างกายมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปใจก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายเพราะอีกต่อไปนี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติบูบชาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นวิธีบูชาพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงผู้ใดปฏิบัติ ตามคำสั่งคำสอนของเราตถาคตผู้นั้นหละคือผู้บูชาเราตถาคตถ้าเราอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ขอให้เรามาหัดบูชาด้วยปฏิบัติบูชาถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติบูชายังไม่ได้ก็เอาอามิตรบูชาเปก่อนเป็นการปูทางไปก่อนทำบุญทำทานชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตร ถวายสังฆทานถวายผ้าปาา uur, ่าผ้ากถินสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปอะไรต่างๆเหล่านี้เรียกว่าอามิสบ mm ูช hmm. าเมื่อทำแล้วจใจจะพร้อมที่จะขึ้นสู่ขั้นต่อไปได้ mm hmm. คือขั้นปฏิบัติบูชา mm hmm. นี่คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ยขออนุโมทนาให้พรยาทาวเิวาหาปุราปุริปุเรนตีสากลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะติตังตุมหังกิปะเมวาสมิตาสัพเพปุเรนโตสังกปา ยันโทปันาราโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฉันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภะวะตุอันตระยูสุขีทีขายุโกภะวะ อาพิวาทานสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธรมาวาทาันติอายุวโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม พอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะมีเรื่องอื่นที่จะต้องทำต่อจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาหกร้อยสี่ e 430บสี่ร้อยสาสิบวิทยุออนไลน์สิบห้ารับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบแดคนรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดครับวันนี้มีชาวต่างชาติไม่ทราบว่ า, าเขาอยากจะถามคำถามไหมคำถามจากคุณสุวรรณีครับเวลาเดินจงกรมให้กำหนดที่อริยบท น, นั้นในใจต้องมีคำบริกรรมด้วยหรือไม่ครับ น้ำใจถ้าคิดว่ามีคําบรรยายด้วยจะทําทให้ใจไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บรรยายไปก่อนถ้าไม่ต้องบรรยายก็ยิ่งสบายใหญ่ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามอยากทราบว่าคนที่เขาเปลี่ยนศาสนาแบบนี้จะเป็นบาปไหมครับการเปลี่ยนศาสนาก็เป็นเหมือนเปลี่ยนรนถยนต์นะ ถ้าคุณขับรถยี่ห้อนี้แล้วคุณไปเห็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งมันดีกว่ารถยี่ห้อนี้คุณจะขับรถยี่ห้อเก่าทําไมมันจะบาปตรงไหนมันไม่ได้บาปตรงไหนเป็นการเปลี่ยนาศาสนาก็เป็นเหมือนรถที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปเมื่อรถคันเก่ามันมันพาเราไปไม่ถึงจุดหมายที่เราต้องการไปเราก็เปลี่ยนรถอีกคันที่มันจะพาเราให้เราไปถึงจุดหมายที่เราต้องการาศาศาาการมาเปลี่ยนศาสนามาหาพุทธศาสนานี้ก็ จะได้รถที่พาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดถ้าไปศาสนาอื่นก็ไปได้ครึ่งทางยต่จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ไกลที่สุดที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุด คำถามจากคุณกระรยา<ม>การถือศินแปลถ้าหากเราอยู่ในประเทศหนาวทางยุโรปในฤดูหนาวที่แม้ถึงว่าจะเปิดฮีเตอร์แต่พื้นบ้านก็ยังเย็นต้องใส่รองเท้าเดินในบ้านถ้าถือสินในข้อที่ห้ามนอนที่นอนเราจะทําได้อย่างไรครับถ้าเราปรับเปลี่ยนเป็นนอนที่นอนเพื่อความอบอุ่นแต่พอรู้สึกตัว ก็ลุกขึ้นเลยไม่ได้นอนแช่อยู่บนเตียงจะถือว่าเป็นการรักษาศีลไว้ได้ไหมครับหรือเราควรจะนอนบนพื้นฝึกความอดทนและให้ศีลบริสุทธิ์ครับก็นอนบนพื้นก็ได้ก็ใช้พื้นถ้ามันเย็นก็เอาผ้าห่มปูเท่าหน่อยก็ได้ผ้ากาันกันความเย็นถ้าทําเพื่อกันความเย็นเพื่อรักษาสุขภาพนี้ทําได้อ แต่ถ้าทำเพื่อความสุขสบายให้นอนหลับนานๆนอนนานๆไม่ควรทำก็นอนกับพื้นหรือเตียงที่แบบไม่มีฟูกก็ได้อยากจะนอนเตียงก็ฟูกออกไปแล้วแล้วก็ปูผ้ากันความเย็นที่มันจะเข้ามาทางร่างกายเราแล้วก็ห่มผ้าหรือใช้สลิปปิ้งแบกสมัยก่อนเราก็ใช้สลิปปิ้งแบกถุงนอน่ย ถูงนอนนี้พอเข้าไปในถุงนอนแล้วอากาศเย็นก็เข้าไม่ได้อากาศร้อนก็ออกไม่ได้นั่งกายก็จะนอนอบอุ่นแต่มันไม่นอนบนเบาบ น, บนมันก็นอนกับพื้นได้ค <c oughs> ำถามจะคุณรุ่งฤดี รู้สึกตัวตื่นนอนจะนึกพุโทโธไปเรื่อยๆหากมีกิจประจำก็ปฏิบัติไปหากคิดได้ก็ดึงจิตนึกพุโทโธต่อบางทีก็พิจารณาอสุภะปฏิบัติอย่างนี้ทั้งวันมาเรื่อยๆครับขอเรียนถามว่าการพิจารณาอสุภะเมื่อสมาธิยังไม่พอนั้นสมควรหรือไม่ครับก็จะยังไม่ได้ได้ประโยชน์มากแต่ก็เป็นการวาง วางพื้นฐานไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเพราะว่าผู้ที่ต้องการที่จะไปในทางธรรมผู้ที่จะต้องการไปในทางสมาธินี้จะต้องเลิกเสพกามนะนั้นการนพิจณาสุภาก็จะช่วยลดกามราคะความอยากจะเสพกามลงได้แต่ถ้ายังไม่มีสมาธิมันก็ยังมีกำลังไม่มากพอที่จะสู้กับกามราคะได้แต่ก็ฝึกได้ฝึกไปก่อนก็ได้ แล้วก็เป็นการฝึกสติไปในตัวการพิจารณาอสุภะนี้มันก็ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาเพราะมันจะไม่ทำให้เราไปคิดถึงเรื่องฟุ้งซ่านต่างๆคำถามจากคุณไผ่คนที่ใกล้ตายมีอาการเจ็บปวดมากถ้าตายตอนนั้นอาการเจ็บปวดจะตามไปด้วยไหมครับพอหมดลมหายใจแล้วมันก็ไม่มีแล้วนัน ร่างกายกับใจก็ตัดขาดออกจากกันแต่การทรมานจิตใจยังตามไปต่อจิตใจส่วนที่เป็นของจิตใจมันก็จะติดไปกับจิตใจถ้าทรมานเครียดมันก็ยังอาจจะเครียดต่อไปคำถามจากผู้ฝากถามในสินแปดการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงถ้าหากว่าเลยเที่ยงวันไปแล้วสามารถทานได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลไหม เช่นถ้าเราทำงานเขาให้หยุดเรากินตอนเที่ยงเราก็ถือว่าสินแปดของเราเลื่อนไปชั่วโมงหนึ่งก็แล้วกันหรือเราเราตั้งนาฬิกาให้มันช้าลงสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้พ อ, อถึงถึงเวลาเที่ยงมันก็ยังเป็นสิบเอ็ดโมงที่นาฬิกาเราอยู่เราก็ยังเก้ไขได้อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าเลื่อนไปเพราะ อยากจะกินสายๆเพื่อจะได้ไม่หิวอย่างนี้ไม่ได้นะอย่าเลื่อนไปกินสักสามโมงได้ไหมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ไม่ควรนะเพราะว่าการถือศีลแปดจริงๆนี่เพื่อให้เรามาปฏิบัติธรรมถ้าเรายังไม่ปฏิบัติธรรมยังต้องทํางานอยู่มันจะไม่มันไม่ช่วยมากนะไม่เกิดประโยชน์มากนะเฉั้นเวลาทํางานก็อย่าไปกังวลกับเรื่องถือศีลแปดเลยเพราะว่ามัน มันไม่ได้มาทำประโยชน์อะไรให้กับเราการถือศีลแปดนี้เป็นเพียงการสนับสนุนให้เราได้มีเวลามานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมถ้าเราถือศีลแปดแล้วเราไม่มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเราไปทางานมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะ คำถามจะคุณชาลินศิลป์แปดกับศิลอุโบสถนั้นต่างกันอย่างไรครับก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นศิลปแปดเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าไปรักษาในโบสถ์เขาก็เรียกศิลป์อุโบสถเพราะชาวบ้านต่างจังหวัดนี้เวลาวันพระเขาจะไปปฏิบัติธรรมในโบสถ์กันจะไปรักษาศีลในโบสถ์ไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ในโบสถ์ฟังเทศฟังธรรมในโบสถ์แล้วก็นอนในโบสถ์จนถึงสว่างเขาก็จะกลับบ้านกัน เราก็เลยเรียวกว่าไปการถืออุโบสถศีลศีลอุโบสถแต่ก็คือศีลแปดดีๆนี่คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามปัจจุบันนี้แยกกันอยู่กับภรรยาแต่ภรรยาขอยาหากต้องการตัดจากทางโลกควรจะหย่าดีไหมครับอถ้าจะตัดแล้วจะไปไปอยู่ด้วยกันทําไมตัดก็แปลว่ามันก็แยกกันอยู่แล้วอย่างถ้ายังรักพี่เสียดายน้องอยู่มันก็ยังตัดไม่ได้ ทางธรรมก็จะเอาทางโลกก็จะเอาอย่างนี้มันก็เหยียบเรือสองแขมนะเดี๋ยวว่าขาฉีกนะนนก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งคำถามจากคุณสองหนึ่งหกการเลี้ยงวัวขายเป็นบาปไหมครับถ้าขายไปให้ขายแล้วเขาแม่ไปฆ่าก็ไม่บาป คือคนขายไม่บาปแต่คนฆ่าบาปแต่คนขายก็ทำอาชีพไม่ดี mm. เขาเรียกว่ามิจฉาไม่ใช่ไม่สัมมาอาชีพเป็นการส่งเสริมให้มีการฆ่ากัน mm. เราเลี้ยงวัวเพื่อให้เ้ า, าไปฆ่ า, าถึงแม้เราจะไม่ฆ่าเองแต่เราก็ส่งเสริมถ้าเราไม่เลี้ยงวัวมันก็จะไม่มีวัวให้เ้ า, าไปฆ่าได้ คำถามจากผู้ฝากถามสติสัมปชัญญะคือสติกับสมาธิหรือเปล่าครับไม่สัมปัชญยะก็คือสติต่อเนื่องสติที่ไม่เผอสติพุทโธพุทโธพุทโธไปได้ตลอดเวลานี่เรียกว่าสัมปัชญยะถ้าสติปั๊บพุทโธปั๊บสองคำหายไปปั๊บนี่เรียกว่าเป็นสติเดี๋ยวเดี๋ยวนึกได้กลับมาใหม่ได้สติขึ้นมาใหม่พอเผอก็หายไปใหม่ แต่ถ้าเป็นสัมปชัญญะมันก็จะเป็นสติต่อเนื่องอคำถามจะคุณเนยนาเวลาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้มีสมาธิในการฟังเราควรจะภาวนาพุโทโธในใจไปด้วยเพื่อให้จิตนิ่งถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกคนจะฟังอย่างเดียวคนจะตั้งใจฟัง ใช้การฟังเป็นเป็นพุโทโธแทนใช้แทนพุโทโธได้ถ้าใช้สองอย่างแล้วมันจะตีกันดีไม่ดีมันจะทําให้เครียดขึ้นมาไหนอยากจะฟังไหนอยากจะพุโทโธเอไหนฟังไม่รู้เรื่องพุโทโธก็ไม่รู้เรื่องเอะเวลานั่งฟังธรรมไม่ต้องพุโทโธไม่ต้องดูลมใช้เสียงธรรมแทนพุโทโธแทนการดูลมได้ถ้าไม่อยากจะฟัง ถ้าอยากจะพุโทโธอยากจะดูลมก็ปิดทล้วอย่าไปฟังทมแล้วก็จะดูลมไปเรื่อพุทโธไปเพียงอย่างเดียวคำถามจากคุณระพีพันธ์ก่อนที่จะนอนนั้นจะต้องสมาทานศีลห้าทุกวันแล้วสวดมนต์นไหมครับสมาทานทาไมศีลห้าเวลานอนมันก็มีอยู่แล้วต้องสมาทานตอนก่อนออกจะไปทํางานซิศีลห้านี่มีไว้เพื่อปันไม่ให้เราทําบาปกัน เวลาเรานอนหลับเราทำบาปคนรูป้ป่ะมันไม่ทำหรอกเป็นสมาทานในตอนนอนหลับมันต้องสมาทานตอนที่เราตื่นฮะพอตื่นขึ้นมาวันนี้จะรักษาศี่ห้านะอ่านี่เราสมาทานจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่ดื่มโซลายาเมาไปสมาทานตอนจะนอนมีประโยชน์อะไร คำถามจากคุณสุรัชนาการฝึกไม่นอนตอนกลางคืนจะได้ประโยชน์อะไรบ้างครับบางช่วงก็นั่งยืนเดินหลับแต่หลังไม่ติดพื้นจะได้ประโยชน์ได้บุญบ้างไหมครับโดยการฝึกไม่นอนนี้ไม่ใช่เฉพาะตอนกลางคืนนะคือไม่นอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคือต้องการใช้เวลาปฏิบัติทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เขาถึงถือสามิริยาบทคือท่ายืนท่านั่ง แล้วก็ท่าเดินถ้านอนจะไม่ไม่ใช้่ถ้าจะหลับกใกล้มันหลับในท่านั่งอะไรไปเพื่อจะได้หลับไม่นานเพราะถ้านั่งหลับเดี๋ยวอย่างมากก็ชั่วโมงมันก็เตือนนะพอเตือนก็จะได้รีบปฏิบัติทําต่อนี่คือความหมายของการไม่หลับไม่นอนการถือสามิริยาบท ไม่ใช่ไม่นอนตอนกลางคืนแล้วก็ไปนอนตอนกลางวันแทนมันก็ไม่ต่างกันมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนช่วงนอนจากกลางวันไปจากกลางคืนไปเป็นกลางวันอนี้อันนี้ไม่นอนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนค่คำถามจากคุณแม่ม การออกกําลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงกับการออกกําลังกายเพื่อให้หุ่นดีสวยงามทั้งสองอย่างนี้เป็นกิเลสใช่ไหมเจ้าคาไม่หรอกถ้ารักษาให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง<ม>ก็ยังถือว่าเป็นธรรมอยู่<ม>เพราะร่างกายเป็นเครื่องมือสําคัญที่เราต้องใช้ในการปฏิบัติธรร ม, มส่วนการออกกําลังกายเพื่อให้สวยให้งามนี้เป็นกิเลสว่าเป็นเรื่องของกามราคะ ชอบสวยชอมงามชอบให้คนเขาลักเขาชอบเราเขาจะได้เป็นแฟนเราเราจะได้ใช้เขามาเสกกามได้อันนี้เรียกว่าเป็นกิเลสแต่ถ้ารักษาร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้เอามาฟังเทศฟังธรรมเอามาปฏิบัติธรรมานี้ถือว่าเป็นเป็นประโยชน์เป็นธรรมะไม่ได้เป็นกิเลสแต่อย่างใดี่มีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม มีคำถา ม, ม, มอีกหมถามต่อจากคุณดิตยาครับเคยทํางานประจํามาตลอดและคิดว่าถ้าออกมาทําธุรกิจของตัวเองจะดีต่อการปฏิบัติมากกว่าแต่ยังกังวลว่าธุรกิจจะไปไม่รอดถ้าเรายังไม่หนักแน่นพอและยังอยากทํางานประจําอยู่ถือว่าเลือกผิดไหมครับและต้องพิจารณาอย่างไรครับพิจารณาว่าไม่รอดก็ดีจะได้มีเวลาปฏิบัติทําได้เต็มที่ บริษัทเจงเราจะได้ไม่ต้องทํางานจะได้มาปฏิบัติไปบวชได้เลยถึงเวลานั้นก็ จ, จะพร้อมแล้วก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีเหตุการณ์ให้ไปมันเลยยังไม่ไปเหมือนพระพุทธเจ้านี่ถ้าลูกยังไม่ออกมาก็ยังไม่ไปเนี่ยพอลูกออกมาปั๊บต้องไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วบวงมาแล้วเราก็ต้องตกงานเนื่อให้บริษัทเจงก่อนถึงจะต้องไปบวชได้ งั้นก็ยังติดอยู่กับการหาเงินหาทองกับการใช้เงินใช้ทองอยู่นั่นแหละงั้นไปเลยไปเลยเปลี่ยนงานไปเลยเป็นทํางานของเราเราจะได้มีเวลาเลือกทําได้ทํามากทําน้อยได้เอเราจะได้ปฏิบัติมากขึ้นพอ ป, ปฏิบัติมากขึ้นเราก็จะมีพลังมากขึ้นที่จะไปที่จะตัดได้มากขึ้นพอเกิดเวลามันล้มละลายขึ้นมาเจ๊งขึ้นมาก็ได้ปิดบริษัทไปเล ย, เยจะได้ไปบวชได้เลยเ